ไม่ใช่สัตว์ิรัชานตัวเมียหญิงมนุษย์นั้นโดยที่สุดกระทั่งเด็กหญิงซึ่งเกิดในวันนั้นหญิงโตวกว่านี้ไม่ต้องกล่าวถึงคำว่าร่วมกันคือด้วยกันที่ชื่อว่าที่นอนได้แก่ที่นอนมีเครื่องมุงทั้งหมดมีเครื่องบังทั้งหมดหรือมีเครื่องมุงส่วนมากมีเครื่องบังส่วนมากคำว่านอนความว่าเมื่อดวงอาทิตย์อัสดงเมื่อมาถูกคมนอนภิกษุก็นอนต้องอบับปาจิตตี เมื่อภิกษุนอนมาตุคามก็นอนต้องอบัตตปาจิตตีหรือทั้งภิกษุและมาตุคามนอนต้องอบัตตปาจิตตีภิกษุลุกขึ้นแล้วกลับไปนอนอีกต้องอบัติปาจิตตี